มีทีมรถตู้ที่ไหนนะเชียงใหม่ยกเ ม, มื่อไงทีมเชียงใหม่ฟังยูทู e บ่อยๆนะไปฟังบ่อยๆแล้วก็คอยรู้สึกตัวดูร่างกายเคลื่อนไหว ก็คอยรู้ความเปลี่ยนแปลงของความรู้สึกความรู้สึกในใจเราเปลี่ยนเรื่อยๆคอยรู้สึกไปค่อยๆฝึกไปวันนี้อินทรียังไม่แก่กล้าก็ไม่เป็นไรฝึกทุกวันทุกวันเนี่ยมันก็แก่กล้าเองค่อยๆสะสมไปการปฏิบัติมันไม่ใช่ภาวนากันวันสองวันแล้วได้ผล อินทรีย์พวกเราหรือต้นทุนเดิมของเรามันน้อยแต่ละคนไม่เฉพาะทีมเชียงใหม่นะไปถึงพวกเราทุกคนนะถ้าอินทรีย์ของเราแก่กล้าเราคงพ้นไปไตั้งแต่ยุคพุทธกาลที่พระพุทธเจ้ายัางอยู่แล้วไม่ตกรุ่นมาถึงป่านนี้หรอกการที่ตกรุ่นมาถึงป่านนี้ได้อินทรีย์เรายังไม่เข้มแข็ง อย่างสะสมแต้มไม่พอแต่เราก็มีต้นทุนเดิมพอสมควรเราถึงสนใจการปฏิบัติธรรมถ้าเราไม่มีต้นทุนเดิมเลยไม่สนใจหรอกคนในโลกมีตั้งเท่าไหร่ที่สนใจศาสนาพุทธมีไม่มากศา ส, สนาพุทธเป็นศาสนาที่เล็กๆไม่ได้มีคนเยอะ และในจำนวนที่บอกนับถือศาสนาพุทธนะส่วนใหญ่ก็นับถือไปอย่างนั้นเองตามธรรมเนียมตามประเพณีตามพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยที่สนใจศึกษาธรรมะจริงๆมีน้อยตอนนี้เราก็มัวแต่ทีใจกันนะว่าในยุโรปในอเมริกาพกฝรั่งสนใจปฏิบัติกัน ไปดูให้ดีก็น่าดีใจหรอกแต่ดีใจได้ไม่เต็มที่หรอกสิ่งที่เขาฝึกกันเข้าปฏิบัติกันมันคือสมะถะกรรมฐานส่วนใหญ่ได้แค่นั้นเองที่เราจัดคอสจัดอะไรเซิร์ฟในยุโรปอเมริกาในอะไรพวกนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องสมาธิ นั่งสมาธิกันเรามีวัดมีอะไรไปตั้งนะตั้งอยู่กับคนไทยคนลาวคนขเขมรอยู่กันอยู่อย่างเงี้ยคนที่เป็นพุทธอยู่แล้วไม่ใช่ว่าความเป็นพุทธจะขยายตัวออกไปเท่าไหร่หรอกขยายไม่มากนะนี่อย่างพวกเราเนี่ยถือว่าเป็นคนส่วนน้อยอย่างยิ่งเลย พวกเราผ่านการเป็นพุทธตามประเพณีตามพ่อตามแม่ผ่านจุดนี้มาเราผ่านเรื่องของสมาธิเฉยๆหรือเรื่องพิธีกรรมต่างๆก่อนจะมาถึงสมาธินั้นก็มีเรื่องพิธีกรรมเป็นเปลือกชั้นนอกเลยของชาวพุทธ ก็มาก็ลึกเข้ามาลึกซึ้งเข้ามาก็มาฝึกสมาธิกันมันยังไม่ถึงแก่นจริงๆแล้วลึกซึ้งเข้ามาอีกอย่างพวกเราเนี่ยสนใจที่จะเจริญสติจเจริญปัญญานี้เป็นพวกที่เข้าใกล้ความเป็นพุทธมากนะถ้าไม่มีบุญมาไม่ถึงตรงนี้ เหมือ น, นกับคนส่วนใหญ่ในโลกส่วนใหญ่เลยไม่รู้จักศาสน า, าพุทธแล้วคนที่บอกว่าเป็นพุทธก็ไม่ใช่พุทธจริงเป็นพุทธแต่ชื่อหรือเป็นพุทธตามประเพณีเป็นพุทธในรูปพิธีกรรมตายแล้วเอาไปวัดเอาไปฝังไปเผาอะไรอย่างน้นสมัยก่อนก็ฝังไว้ก่อนชั่วคราวแล้วพอศพแห้งกนะ็ขุดขึ้นมาเผา วันเกิดที่นึงก็ใส่บาต ท, ที่นึ่งอะไรเงี้ยชาพุทธพอเข้าวัดไม่ต้องที่ประเทศอื่นหรอกในประเทศไทยเนี้ยเข้าวัดก็ไปนั่งสมาธิกันนะไปทำรูปแบบกรรมฐานอันแดนหนึ่งซึ่งทำเสร็จแล้วจิตเนี่ยตกไปข้างสมถะหมดอนะอย่างไปขยับมือยขยับไปเนี้ย หลวงพ่อเตียนขยับมือเนี่ยหลวงพ่อเตียนทํำวิปั ส, สนาได้พวกขยับมือน้อยรายที่ทะลุออกมาถึงวิปั ส, สนานี่ไม่ได้ดูถูกเขานะไม่ว่ากรรมฐานอะไรก็เป็นแบบเดียวกันหมดแหละไม่ใช่ว่าเฉพาะขยับมือแล้วส่วนใหญ่ทําสมถะสายหลวงพ่อเตียนที่ตามหลวงพ่อเตียนได้หลวงพ่อรู้จักองค์หนึ่งคือหลวงพ่อคาเขียน หลวงพ่อคำเขียนนั่นเคยเจอกันหลายครั้งท่านบอกเลยว่าว้าเรื่องสิบสี่จังหวาอะไรเนี่ยมาทีหลังคิดกันขึ้นมาทีหลังสิ่งที่หลวงพ่อเทียนสอนแก่นจริงๆเรื่องสตินั่นแหละหลวงพ่อไปเจอท่านครั้งแรกท่านเป็นมะเร็งอยู่ที่โรงพยาบาลชุลาข้าไปกราบท่านท่านท่านลุกไม่ได้นะท่านก็นอนคุย เห็นหน้าหลวงพ่อนะท่านก็อุทานบอกว่าไปได้แล้วไปได้แล้วนะไปได้แล้วไม่ใช่ตัวท่านไปนะหมายถึงไปได้แล้วหมายถึงว่ามีผู้สืบทอดคำสอนเกี่ยวกับการเจริญสติแล้วศาสนาพุทธเนี่ยไปได้แล้วยังดำรงต่อไปได้นะเจตนาท่านจะบอกอย่างนี้ ่จริงๆแล้วใจความสำคัญคือการเจริญสตนะิการขยับไม้ขยับมือหรือไปดูท้องพองยุบหรือไปท่องพุทโธหรือไปธรรมานาปนสติถ้าทำไม่ถูกนะมันก็เป็นสมถะไปหมดลนะแต่ถ้าทะลุเข้ามาจนถึงการเจริญสติมันถึงจะได้สาระแก่นสารของการปฏิบัติเข้าใกล้ มากผลนิพพานมากขึ้นมากขึ้นการเจริญสติเป็นเรื่องใหญ่รูปแบบเป็นเรื่องรองทําไปตามความถนัดกรรมฐานอะไรก็เหมือนกันหมดแหละถ้าทําถูกก็ใช้ได้ถ้าทําผิดก็ใช้ไม่ได้ไม่ใช่ว่าอันใดอนหนึ่งดีอันอื่นไม่ดีไม่ใช่อย่างบางคนฝึก สายอภิธรรมนกะ็เห็นร่างกายรูปรูปเคลื่อนไหวนามเป็นคนรู้สายอภิธรรมจะพูดอะไรที่คนอื่นไม่รู้เรื่องรูปเคลื่อนไหวนามเป็นคนรู้มันก็หลักเดียวกันนะั่นแหละมีสติแต่พอลงมือปฏิบัติจริงส่วนใหญ่มันก็กลายเป็นสมถะพระรูปเคลื่อนไหวนามใจเป็นคนรู้เนี่ยมันถล่มลงไปรู้ จิตมันไม่ตั้งมั่นเน้นถ้าจิตไม่ตั้งมั่นเวลารู้อะไรก็ถลํำลงไปรู้หมดแะแจมไปรวมเข้ากอารมณ์เพราอแจมรวมเข้าอารมณ์มันก็เหมือนคนตกน้ำตกลงไปในน้ำนะไม่สามารถมองอะไรได้ชัดเจนแล้วไหลตามน้ำไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราอยู่บนโบกนะเราจะเห็นเลย เรือลํานี้ผ่านมาเรือลํานี้ผ่านไปนะแผ่สูงล่องมาล่องไปอะไรนี้อะไรผ่านมาก็เห็นผ่านไปกระทั่งหมาเน่าออตายลอยน้ํามาะหรือศพคนลอยน้ํามาก็ลอยมาลอยไป ใ, ใจมันอยู่ข้างบนถ้าเราตกลงไปในน้ําด้วยนะไหลไปคู่กันอย่างเราตกลงไปข้างเรือนะแล้วก็ลอยไปด้วยกัน เราก็จะเห็นแต่เรือเนี่ยเที่ยงคงที่ลืมตาขึ้นทีไรก็ยังเห็นมันลอยอยู่ข้างๆเรา <Yeah. S 1> เพราะมันลอยไปด้วยกันถ้าเราอยู่บนบกเราจะเห็นทุกอย่างผ่านมาผ่านไปเรื่อยๆกรรมธานนี้เหมือนกันถ้าใจเราถลำลงไปแช่อยู่ที่ตัวอารมณ์นะเราจะไม่เห็นไตรลักษณ์แย้าจะเห็นว่าอารมณ์นี้มันเที่ยง งั้อย่างเรารู้ลมหายใจนะแล้วจิตจมลงไปอยู่ที่ลมหายใจนะเราจะรู้สึกว่าจิตเที่ยงสงบอยู่งั้นอนะ่ะอยู่ได้ใต้เป็นวันวันนะถ้าทรงฌานได้จริงจริงอยู่ได้ทีใน่งเจ็ดวันนะอยู่ได้นานอยู่ในชีวิตในนี้จิตก็ทรงสมาธิอยูนะ่ถอยออกจากฌานก็ทรงอยู่ในอุปจาระสบายฟังเสียงหลวงพ่อสิเสียงเปลี่ยนไหม ก็ออกมาอยู่กับโลกเพราะงั้นถ้าจิตเราจมลงไปแนบที่ตัวอารมณ์เนี่ยอย่านึกว่าจะเห็นไตรลักษณ์มันจะเห็นว่าจิตก็เที่ยงอารมณ์ก็เที่ยงอยู่ด้วยกันอย่างนี้หละหรืออย่างน้อยที่สุดอารมณ์เกิดดับแต่จิตเที่ยงอย่างที่พวกเราภาวนาเนี่ยรู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้ถาบอนเนี่ยเพราะอะไร จิตมัไม่ถอนตัวออกมาเป็นคนดูเราเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดดับรวมทั้งเห็นจิตเกิดดับถ้าเราไม่เห็นนะ่ะจิตมไม่ได้ถอนตัวขึ้นมาตั้งมั่นขึ้นมาเป็นคนดูเนะี่มันจะรู้สึกจิตนิเที่ยงพวกฤๅษีชีพลัยทำสมาธิกันนะจนถึงฌานที่แปดพระพุทธเจาไปศึกษากับพวกฤๅษีตอนที่ออกจากวังมาใหม่ๆช่วงแรก ใใคล้ายๆพวกเราอ่ะคิดจะปฏิบัติธรรมสิ่งแรกที่จะทําก็คือไปนั่งสมาธิแช่ปชายศีริทัตถาก็คิดอย่างเดียวกันก็ไปหาฤาษีสนั่งสมาธินะนั่งไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลยหลับไปเลยลึกลงไปเหแต่ความรู้สึกภายในนิดเดียวท่านก็ไปนั่งจิตมันแนบเข้ากับความว่างความไม่มีอะไรเลยความว่าง จิตไปแนมในช่องว่างจิตไปแนมอยู่กับจิตจิตไปแนมในความไม่มีอะไรเลยจิตแทบจะหมดความรู้สึกใจไปเป็นแบบนี้ท่านฝึกอยู่ช่วงหนึ่งนะท่านก็พบว่านี่ไม่ใช่ทางพ้นถูกตอนเข้าสมาธิเข้าฌานก็มีความสุขพอออกมากิเลสก็กลับมาใหม่เพราะน้นี่ไม่ใช่ทาง ท่านก็ไปลาอาจารย์บอกว่าขอลาออกจากสำนักนม่ความน่ารักของท่านนะเรียนกับอาจารย์แล้วไม่ชอบใจคำสอนก็ไม่ได้ลุกขึ้นด่าอาจารย์นะแต่ไปร่าลาพาษาัิทบุตรก็ไปลาอาจารย์ไปลาสัญชัยปริพากชกะลาไปเรียนกับพระพุทธเจ้านี่มารยาทงามช่นชัยสิท ธ, ธาฯก็ไปลาฤาษีจะขอ เอาไปหาโมกศะคือความหลุดพ้นตสีก็ยามต่อรองนะว่าเรียนจบวิชาของสำนักแล้วเข้าชาญได้เหมือนอาจารย์แล้วให้ช่วยสอนต่อมาช่วยกันสอนท่านบอกแม่เอามันยังไม่ได้สิ่งที่ท่านต้องการคือความพ้นทุกข์เข้าชาญก็มีความสุขอยู่ออกจากชายก็ทุกข์ใหม่นะงนท่านแม่เอานก็ลงมือปฏิบัติใหม่ ไปทรมานร่างกายอยากกินข้าวเลยทรมานไม่กินอยากนอนให้สบายเลยนอนบ น, น้นามเลยทรมานที่จริงก็คือการตามใจตัณหาแต่ตามใจในทางนกยมฉิบตัณหาอยากกินไม่กินตัณหาอยากนอนไม่นอนตัณหาอยากสบายนะนั่งบนตะปูเลยนั่งบ น, น้นามเลย แกล้งมันคิดว่าอย่างนี้ทำไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งจะชนะตัณหาได้เนี่ยท่านฝึกตรงนี้อยู่หลายปีนะที่ทำอัตตากิมัฏฐานุโยกเนะี่ยไม่ได้ทำโงๆ่ๆอย่าไปนึกว่าท่านโงนะ่พวกฤๅษีชีพลายพวกนักบวชที่เขาทรมานกายเขามีวิธีคิดของเขาเหมือนกันย่างพวกนีคกลนนะียเขาก็ รู้ว่าตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เขาก็อยากละตัณหาเหมือนกันแต่วิธีละตัณหาของเขามันไม่ใช่อริยมรรคเนี่ยเขารู้เหมือนกันเขาอยากพ้นทุกข์เขาอยากนิพพานอยากบรรลุโมกขะเขารู้ว่าตัณหาทำให้เวียนว่ายแต่เกิดเขาอยากละตัณหาเนี่ยอย่าไป น, นึกว่าศาสนาอนื่นพวกในอินเดียนั้นกระจอกนะ มันฉลาดถึงขนาดรู้ว่าต้องละตัณหาแต่ไม่รู้วิธีละใช้วิธีทรมานตัวเองเราก็ไป ม, มองว่านี่ทรมานร่างกายที่จริงต้องการทรมานตัณหาอยากชนะตัณหาอยากกินกูไม่กินอยากนอนกูไม่นอนอยากสุขสบายแล้วหน้าหนาวนี่ออกมาอยู่กับกลางแจ้งเลย ห, หนาวร่างกายจะเป็นไงช่างมันจะได้ไม่ยึดถือมัน ก็มีวิธีคิดขงเขาเหมือนกันพรนะชศยาสิท ธ, ธาเขไปลองลองทุกวิธีเลยที่เขาเรียนกันเพราะว่าไม่ใช่หนีโลกแบบลือศีก็ไม่ใช่นะออกมาฝืนใจทรมานกิเลสก็ไม่ใช่ท่านก็นึกถึงสมาธิที่ท่านเคยได้ตอนเด็กๆ เ, เป็นสมาธิที่ท่านได้ขึ้นมาเองนะตอนที่พ่อท่านทำวิธีแรกหนักวันนะ พี่เลี้ยงเอาท่านไปวางไว้ใต้ต้นไม้ยังเล็กๆอยู่พอพี่เลี้ยงก็ไปดูพระเจ้าสุดโทธนาไทยนารายชสยศิทธาอยู่คนเดียวถ้าเป็นแต่กอื่นก็หนีไปเล่นนะทุกสนเลยก็นอนหลับไปนี่บารมีท่านมากท่านอยู่คนเดียวผมท่านลุกขึ้นนั่งสมาธิเลยนั่งแบบสมาธิที่ไม่มีใครสอนเป็นสมาธิที่หายใจ ใ, ใจออกรู้สึกตัว ใ, ใจเข้ารู้สึกตัวในสุดได้ปฐมฌานจิตตั้งมั่นรู้สึกตัวอยู่แล้พอโตขึ้นท่านก็ลืมสมาธิที่เคยรู้จักอันนี้เป็นเรื่องปกตินะอย่างนักปฏิบัติในยุคเราเนี้ยก็มีหลายคนตอนเด็กๆเนียตัวรู้มันเคยผุดขึ้นมาแล้วแต่พอโตขึ้นหน่อยมันลืมไป ตัวรมัฝุดขึ้นมาจิตมันส่งสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาได้ตัวรู้ขึ้นมาแล้วก็ลืมเช้าชัยสิทธาเขาลืมพอมาปฏิบัติหาวิธีมากมายนะสุดท้ายนึกถึงของเดิมนี้ได้ท่านก็ามาต่อยอดจากของเดิมท่านหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวนะจนกรอทั้งจิตเข้าถึงฌานที่สี่เมื่อก่อนหลวงพ่ออ่านปริยัติหลวงพ่องงมากเลย ไปเรีกนกะลือศีได้ฌานที่แปดมันก็ต้องผ่านฌานที่สี่มานะล้ผ่านฌานที่หนึ่งมาแล้วบอกว่าผิดนะเรมารู้ทีหลังนะภาวนาเร า, าถึงรู้ว่าสมาธิมันมีหลายแบบสมาธิรือีนันสมาธิที่เรียกว่าอารามันูพนิชานจิตแนบอยู่ในอารมณ์มันเดียวสมาธิที่พระพุทธเจ้าใช้มาเจริญปัญญาเนี่ยเรียกว่าลักขณูพนิชาน จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้อารมณ์เห็นไตรลักษณ์สมาธิมีสองแบบนะอยวมามั่วว่ามีสมาธิแล้วจะเกิดปัญญาคนส่วนใหญ่ที่ฝึกสมาธิไม่ได้เกิดปัญญาเลยแย่ยิ่งกว่าเก่าอีกติดความสุขของสมาธิซืบื้ออยู่งนั้นที่หลวงพ่อสอนพวกเราเนะี่ยที่จะต้องฝึกจนจิตมันตื่นขึ้นมาคือได้สมาธิ ที่ตั้งมั่นจิตตั้งมั่นเป็นคนดูไม่ถล่าไม่จมลงไปแช่ในอารมณ์เราได้สมาธิตัวนี้แล้วเราถึงจะเห็นปรากฏการของอารมณ์ได้ชัดเจนร่างกายที่ปรากฏอยู่นี่เรารู้สึกอยู่นี่ใจเป็นคนดูอย่างที่พวกอภิธรรมสอนรูปมันนั่งนามเป็นคนดูสอนถูกแต่เวลาปฏิบัติมันทำไม่ค่อยได้เพราะมันไม่มีตัวผู้รู้ จิตไม่ได้มีลักหนูพนิชานยันที่เราฝึกนะฝึกให้ได้จิตที่เป็นคนรู้แล้วนั่งอยู่นี่เจะเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูร่างกายที่นั่งไม่ใช่ตัวเราร่างกายนี้ของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราหรอกเห็นร่างกายมันยืนมันเดินมันนอนร่างกายที่ยืนที่เดินที่นอนไม่ใช่เราเป็นของถูกรู้ถูกดู เห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นในร่างกายความสุขความทุกข์เป็นของถูกรู้ถูกดูใจอยู่ต่างหากเป็นคนดูความสุขความทุกข์ไม่ใช่ตัวเราของเราหรอกเป็นของถูกรู้ถูกดูอยู่เห็นโลภโกรธหลงเกิดขึ้นจิตเป็นคนรู้คนดูก็จะเห็นเลยโลภโกรธหลงก็ของถูกรู้ถูกดูนะมาเองไปเองอยู่ช่วคราวแล้วก็ดับตรงนี้ก็คือเห็นไตรลักษณ์เห็นโกรธเกิดแล้วก็ดับเห็นโลภเกิดแล้วก็ดับ ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในใจเราเกิดแล้วดับใจเป็นแค่คนดูไม่เข้าไปแทรกแซงะต้องฝึกกว่าจะได้ใจตัวนี้ไม่ใช่ง่ายนะแต่ถ้าได้ใจตัวนี้เราง่ายแล้วเราไม่ได้ทำอะไรสติสมาธิปัญญมทำงานของมันเองจินทำหน้าที่รู้เมื่อตอนที่หลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อได้ตัวรู้มาตั้งแต่เด็กแล้ว มาเจอหลวงพู ด, ดูลต่อยอดมาดูจิตเกิดดับไปจิตสุขเกิดระดับจิตทุกข์เกิดระดับจิตดีจิ ต, จตชั่วเกิดระดับมันต่อยอดง่ายง่ายพานานนผ่านฉลุยเลยใช้เวลาสั้นๆะขนาดพวกพระยังบอกเลยโยมทําได้ไงโยมทําปีหนึ่งนะเหมือนพระทําตั้งสิบปียี่สิบปียังไม่ได้อย่างนี้เลยเพราะเราได้ตรวรู้มาแต่ไหนแต่ไรและวมันมีตัวรู้ แล้วก็จะเห็นเลทุกอย่างเกิดแล้วดับทุกอย่างเกิดแล้วดับจิตเป็นคนดูแล้วพอลึกซึ้งขึ้นมาเราก็เห็นตัวจิตเองก็เกิดดับจิตรู้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็กลายเป็นจิตคิดจิตคิดก็ไม่นานนะพอสติเราเร็วลงไปคิดปุ๊บสติรู้ทันจิตคิดจิตรู้ก็เกิดอีกแล้วเราะฉะนั้นจิตคิดก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็ไม่เที่ยงจิตรู้ก็รักษาไม่ได้จิตคิดก็ควบคุมห้ามมันไม่ได้ ลองลองดูิสั่งจิตว่าห้ามคิดซิลองดูซิทำดูอยากคิดเอาดูจริงจิคิดไหมห้ามได้ไหมห้ามไม่ได้อย่างนี้ถึงจะใช่นะแต่ถ้าฟังทางทฤษฎีลองดูซิจิตคิดควบคุมได้ไหมไม่ได้ยังไม่ได้ดูเลยนะถ้าตอบแล้วไม่ใช่นักปฏิบัติ นักปฏิบัติต้องเห็นสภาวะถ้าคิดคิดเอาจินตนาการเอาสู้กิเลสไม่ได้หรอกจะกลายเป็นกูเก่งเป็นเซเว่ซ้ํามไปอย่างพวกเรียนเยอะๆกลายเป็นกูเก่งกูเข้าใจธรรมะแล้วคนอื่นไม่เข้าใจกูเข้าใจเที่ยวปรามาเ ท, ที่ยวดูถูกพวกนักปฏิบัติไม่รู้เลยว่าหานรกใส่ตัวพวกนักปฏิบัติเนี่ยไม่ได้เรียนปริยัตย พูดภาษาปริยัติไม่เป็นแต่เขาปฏิบัติถูกได้อย่างบางท่านนะนบอกท่านพุดโธเอาเชิญพ้นทุกข์ฝ่ายปริยัติได้ยินนะพูดโธเป็นอารมณ์บัญญัติทํำมิปั ส, สนาไม่ได้จริงๆแล้วท่านไม่ได้ใช้พุโทโธอะไรหรอกท่านพุดโธแล้วท่านรู้ท่านจิตของท่านท่านใช้จิตเป็นอารมณ์กรรมฐานให้จิตไปวิหารธรรมคือจิตตานุปัฏฐานนั่นเอง พุโทโธพุโทโธพุโทโธจิตสงบพะรู้พุโทโธจิตฟุ้งซ่านก็รู้คือการทำจิตตาทัปรัชน า, าแต่ว่าท่านพูดไม่เป็นท่า น, นก็บอกท่านพุโทโธไปดูถูกดูถูกอย่างนี้ตกนรกแน่นอนไม่เข้าใจตัวเองไม่เข้าใจถ้าพอนาเป็นเราดูหน้าปุ๊บเราก็รู้แล้วใครพอนาเป็นไม่เป็นเราก็รู้พอปฏิบัติเป็นมันจะเข้าใจ เมื่อเรามาฝึกนะให้จิตตั้งมั่นให้ได้วิธีฝึกจิตให้ตั้งมั่นที่ง่ายที่สุดนะคืออาศรรยัยสติรู้ทันจิตที่ไม่ตั้งมั่นจิตที่หลงไปคิดนั่นแหละเกิดบ่อยที่สุดเป็นจิตที่ไม่ต้องมั่นที่เกิดบ่อยรองลงจากจิตหลงไปคิดคือจิตหลงไปดูนะรองจากจิตหลงไปดูคือจิตหลงไปฟังสามตัวเนี้ยเกิดบ่อยที่สุดหลงไปคิดเกิดบ่อยที่สุดหลงไปดูรองลงมานะสําหรับคนที่ตามไม่บอดนะ หลงไปฟังลองลงมาสำหรับคนที่หูไม่หนวกหลงไปดมกลิ่นหลงไปลิ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายนี่ยังไม่มากมีน้อยวั น, ว, นวันหนึ่งหลงคิดเยอะไหมหลงคิดทั้งวันตั้งแต่ตื่นจนหลับหลับแล้วก็ยังฝันต่อนี่คือหลงคิดหลงดูเช่นดูหรือดูมีอะไรน่ากิน ใจไปอยู่ที่โนโ่นละนะใจไปอยู่ในในในมุงนะกขกลางมุงไว้นะใจอย่างนี้เล็กหลงดูหนะลงหลงฟังอย่างเนี้ยลองฟังสิที่นี่นกเยอะนะได้ยินเสียงนอกอะไรบ้างลองฟังสิมีกบาบ่าตัวหนึ่งกาบ่าวกาเบา่เบาว พอเรียกให้ฟังนมันเงียบหมดเลยเวลาเราเทศแล้วมันก็พูดแข่งกับเราแนละ้วจกแจ๊กจกแจ๊กเนี่ยมีคนก็ถ่ายคลิปนกเงือกในวัดได้สามตัวคลิปนกเงือกนั้นนกเงือกก็ไม่ร้องอะไรแต่เสียงที่อยู่ในคลิปนี้นะเสียงนกนานาชนิดเลยสารพัดนกเลยถ้าคําค่ ำ, ำหัวค่า เช้ามืดเลยมีนกตกยุงเสียงนกตกยุงนะเสียงนกเขาเมื่อกี้ก็ร้องนกเขาเสียงไก่เสียงอะไรหลงไหมรู้จักหลงฟังยังเนะนี่ยเรียกหลงฟังนะเมื่อกี้หลงดูใช่ไหม มีอะไรน่ากินบ้างหลงดูแต่ส่วนใหญ่คือหลงชิดเวลาหลงชิดรู้ไใบใบทุกครั้งที่รู้จากหลงชิดหลงชิดจะดับจิตผู้รู้จะเกิดเกิดชั่วขณะเท่านั้นหลงไปฟังรู้ว่าจิตหลงไปฟังจิตผู้รู้ก็เกิดจิตหลงดับจิตรู้ก็เกิดจิตรู้ก็จิตหลงตรงข้ามกัน เหมือนเหรียญด้านหัวด้านก้อยมอนไปอยู่ด้านนี้มันก็ไม่ได้อยู่ด้านนี้ไปอยู่กับหลงมันก็ไม่อยู่กับรู้อยู่กับรู้มันก็ไม่หลงเพราะแค่นี้เองเหมือนเหรียญอันเดียวกันหัวก้อยวิธีการปฏิบัติที่จะให้ได้จิตผู้รู้นะก็คือรู้ทันจิตผู้หลงเราจะรู้ทันจิตผู้หลงได้ง่ายถ้าเราทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่ง อะไรก็ได้เป็นเรื่องเอาที่พอใจที่ทําแล้วสบายใจพุโทโธก็ได้หายใจก็ได้หายใจเข้าพุทออกโทก็ได้จะบริกรรมนามาพาทานามาพาทาก็ได้จะสัมมาอรหังก็ได้จะพุโทโธก็ได้จะดูท้องพองยุบก็ได้จะขยับมืออย่างหลงพระเทียนก็ได้ทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตัวเองเคล็ดมันอยู่ตรงนี้เอง ส่วนใหญ่ก็คือทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วก็หลงอยู่กับกรรมฐานนั้นนั้นก็เลย ไ, ไปไหนไม่รอดถ้าทำกรรมฐานสัอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองเช่นดูท้องพองยุบนะจิตไหลลงไปอยู่ที่ท้องรู้ทันจิตหนีไปคิดรู้ทันหายใจเข้าหายใจออกจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจรู้ทันจิตหนีไปคิดเรื่องอื่นรู้ทันได้รู้ทันจิตที่หลงไปหลงไปเพ่งอารมณ์ก็หลงไปหนีไปที่อื่นหลงไปคิด ทําทำอย่างนี้เรื่อยๆไปทำกรรมฐานอย่างหนึง่งขยับมือนะขยับมือจิตลงไปอยู่ในมือก็รู้จิตหลงไปอยู่ที่อื่นก็รู้จิตหนีไปคิดก็รู้เนี่ยคอยรู้ทันจิตไหมทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วคอยรู้ทันจิตไว้นี่คือบทเรียนที่ชื่อจิตสิกขานะเป็นบทเรียนที่อาภัพที่สุดนะ ท, ท, ทั้งที่สําคัญมากเลยจิตสิกขาจะทาให้เราได้จิตผู้รู้ขึ้นมาก็คือจะได้สมาธิที่ถูกต้องขึ้นมา ถ้าไม่มีสมาธิที่ถูกต้องปัญญาจะไม่เกิดนะสมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาแต่ว่าสิ่งที่มีเป็นคือมิจฉาสมาธิกันนะนั่งแล้วซื้อบื้อนั่งแล้วลืมตัวหรือไม่ทําสมาธิเลยนะมีแต่ใจฟุ้งซ่านแ้วไปองเนาะยุบเนาะฟองเนาะอยูอออย่สิ่งที่ได้คือสมถนะเฉยเฉยแล้ไม่ได้จิตผู้รู้ขึ้นมาไม่ได้สมาธิที่ดีที่จิตตั้งมั่นเด่นดวงเป็นผู้รู้ผู้ดู สมาธิไม่ได้แปละว่าสงบนะสมาธิคือความตั้งมั่นไปดูพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกไม่ได้แปลให้ไปดูพจนานุกรมเจ้าคุณประยุทธ์นะสมาธิแปละว่าความตั้งมั่นเจ้าคุณประยุทธ์นี่ท่านระดับจีเนสเลยนะท่านระดับจีเนสเลยความรู้ในเชิงปริยัติท่านเน่หาตัวจับยากเลยหลวงพไม่เห็นใครได้อย่างท่านเลยปรากฏว่าไปเจอท่านนะ เจอท่านนะท่านโอเคแต่หลวงพ่อนะเขาไปกราบท่านนะก็คุยเรื่องงานการเรื่องอะไรหลวงพ่อบอกตอนนี้เสียงหลวงพ่อไม่ดีแล้วท่านก็บอกท่านเคยเป็นนะเรื่องเนี้ยเราใช้เสียงเยอะๆต้องระวังนะแล้วบอกจะลาท่านแล้วนะท่านให้พรหลวงพ่อนละยท่านให้พรว่อาอะไรรู้ไหมขอให้มีสุขภาพแข็งแรงนะให้มีกําลังเนะี่ยเผยแผ่ เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคนจํำนวนมากนะคือถ้าปรามาจารย์ปริยัต์เนะีบอกว่าเราทําผิดในหะลวงพ่อจะเลิกเลยนะเคยคิดมาอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไร น, นะว่าถ้าเจ้าคุณประยุทธ์ท่านบอกว่าที่หลวงพ่อสอนอยู่ผิดเนะี่ยหลวงพ่อแม้วะนะวเราเคารพท่านเป็นครูบาอาจารย์มาตั้งแต่เป็นโยมแล้ะอ่านหนังสือท่านอะไรท่าน ปรากฏว่าท่านบอกให้ไปทำงานต่ออย่างพวกเราบางคนนะอยากสอนอยากสอนหลวงพ่อจะบอกว่าอย่ารีบสอนที่รีบพาหนาเข้าอันนี้แต่ก็คือมึงอย่าสอนเลย <c oughs> <c oughs> ถ้าคนไหนเราเห็นว่าเออสอนได้ไม่พาคนหลงทางนะเออไปสอนได้จำนวนไม่เหมือนกันนะ สอนนะไปทำประโยชน์ทำประโยชน์ชนถ้าคนไหนหลวงพ่อบอกว่าพักบ้างนะพักพักนันพักนานๆไม่ต้องสอนรู้นะไม่ไม่โอไม่โอไม่ต้องพูดมากนะเจ็บคอดูเรื่องใช่ไหม งั้นทํากรรมฐานสักอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตตัวเองไปในที่สุดเราจะได้จิตผู้รู้พอเราได้จิตผู้รู้แล้วอย่ารักษานี่เคล็ดลับอยู่ตรงนี้อย่ารักษาจิตผู้รู้ปล่อยให้จิตผู้รู้ทํางานไปเป็นผู้รู้บ้างผู้หลงบ้านไปนะแต่อย่าหลงนานเท่านั้นแหละทํากรรมฐานไว้แล้วจะไม่หลงนานอย่างเราท่องพุทโธพุทโธนะพอเราหลงเนี่จะไปคิดเรื่องอื่นไม่คิดพุทโธแล้วเราก็จะเป็นเครื่องเตือนตัวเองเห้ยหลงแล้วนะลืมพุทโธแล้ว เง้ยที่ทํากรรมฐานนะเพื่อเอาไว้เตือนตัวเองว่าหลงไปแล้วนะขาดสติแล้วนะพอรู้ทันว่าจิตหลงรู้ทันว่าจิตหลงที่สุดจิตรู้ก็เด่นดวงขึ้นมาพราทุกครั้งที่รู้ว่าหลงตัวรู้ก็เกิดเกิดได้แป๊บเดียวก็หลงใหม่หลงใหม่รู้ใหม่ก็ได้เป็นผู้รู้ขึ้นมาอีกอรู้บ่อยๆเหมือนตัวรู้จะทรงอยู่ได้ทั้งวันเลยเราอย่ารักษาตัวรู้ะแล้วปัญญามันจะเกิด ดูง่ายๆเลยตัวรู้เกิดแล้วก็ดับตัวลงเ ก, กิดแล้วก็ดับแค่เนี้ยก็ทํำมิปัสนาแล้วถ้าดูตัวนี้ไม่ทันมันละเอียดเกินไปก็ดูไปจิตโลภเกิดแล้วก็ดับจิตไม่โลภเกิดแล้วก็ดับจิตโกรธเกิดแล้วก็ดับจิตไม่โกรธเกิดแล้วก็ดับตัวอย่างนี้ก็ได้ถ้าดูจิตไม่เป็นดูกายกายที่หายใจออกเกิดแล้วก็ดับกายที่หายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับตายอยู่ทุกขนาด ทุกลมหายใจเราตายไปเรื่อยๆทุกลมหายใจเข้าออกหรือร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนเกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นนั่งอยู่เนี๋ยก็ต้องไปลุกขึ้นมาเดินดูจิตไม่ได้ดูกายไปแต่ทุกวันต้องสึกซ้อมทำกรรมฐานอย่างหนึ่งแล้วรู้ทันจิตจิตหนีไปแล้วรู้จิตหนีไปแล้วรู้ฝึกไว้แต่วันไหนเหนื่อยจริงๆทากรรมฐานให้จิตแน่พักอยู่กับอารมณ์อันนี้เป็นสมาธิชนิด อารมณูภายในฌานเอาไว้พักผ่อนเอาไว้เดินปัญญาไม่ได้จิตมันไหลไปนิ่งอยู่กับอารมณ์เพราะฉะนั้นดูไม่ออกแล้วว่ามันเกิดดับจะเห็นว่าคงที่อยู่เงนี้เพราะฉะั้นพวกฤาษีนะเข้าฌานเสร็จแล้วจะรู้สึกว่าจิตเป็นอัตตาเราะฉนั้นพวกฤาษีนะทําสมาธิแล้วจิตเป็นอัตตาเวลาตายเนี่ยอัตตาหรืออาตมันนี่ก็จะรวมเข้ากับบรมอัตตาหรือปรมัตตมัน แต่ชาวพูดเราไม่ได้เห็นตัวนี้พูดเราจิตตั้งมั่นเราก็เห็นจิตผู้รู้เองก็เกิดดับขันทั้งหลายก็เกิดดับอย่างร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเกิดดับสุขทุกข์ดีชั่วเกิดดับนี่ขันทั้งหลายเกิดดับจิตผู้รู้เองก็เกิดดับนี่วิญญาณขันจิตผู้รู้อยู่ในวิญญาณขันในส่วเห็นขันทั้งหมดเกิดดับก็บรรลุโสดาได้คนอื่นเหลือแต่จิตเที่ยง ไม่เบรรลุโสดาล่นี่งเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่เห็นว่าจิตเที่ยงพวกเรารู้สึกไหมจิตเราเที่ยงจิตเราตอนนี้กับจิตเมื่อวานคนเดียวกันจิตเราเดี๋ยวนี้กับจิตเมื่อปีกลายคนเดียวกันจิตเราวันนี้กับจิตปีหน้าก็คนเดียวกันเนี่ยเราเห็นว่าจิตเที่ยงนั่นยังเป็นมิจฉาทิฏฐิอยู่นะแต่เป็นเรื่องปกติอุทุชนทุกคนเป็นมิจฉาทิฏฐิะยกเว้นแต่ไปเรียนปริยัติจนเข้าใจนะ อันนั้นจะเป็นสมาธิฐีในภาคปฏิยัติเข้าใจด้วยกันอ่านด้วยกันฟังด้วยกันคิดเอาอยัางสู้กิเลสไม่ได้จริงสรุปที่หลวงพ่อสอนวันนี้ยาวนิดหนึง่งเกินเวลาไปนิดหนึง่งแะวจะสรุปให้พวกที่มาเข้าคอร์สฟังก็คือไปทำกรรมฐานอย่างหนึ่งนะแล้วถ้าวันไหนจิตฟุ้งซ่านมากก็พักผ่อนสงบอยู่กับอารมณ์กรรมฐาน วันไหนมีแรงแล้วเนี่ยก็ <c oughs> คอยทำกรรมฐานไปแล้วรู้ทันจิตไปจิตหนีไปคิดก็รู้จิตไปเพ่งกรรมฐานก็รูนะ้ถัดจากนั้นพอเราได้จิตรู้แล้วอย่ารักษาไว้นะล้วก็เห็นจิตรู้เกิดแล้วก็ดับจิตหลงเกิดแล้วก็ดับนะถ้าดูตัวนี้ไม่ได้ก็เห็นร่างกายหายใจออกเกิดแล้วก็ดับร่างกายหายใจเข้าเกิดแล้วก็ดับก็ดูกายแทนแต่นะจิตเป็นคนดูก็นะจะเห็นว่าร่างกายที่หายใจไม่ใช่เราหรอก ถ้าจิตเป็นคนดูอยู่ไปฝึกนะ น, นี่บอกภาพรวมให้เราแล้วเบสิคที่สุดสี่ห้าต้องรักษาอย่างบางคนเคยไปทำแท้งมันทำไปแล้วทำแท้งก็ทำไปแล้วนะทำแท้งมันไม่ใช่อนันตริยกรรมเป็นกรรมที่หนักจริงแต่ไม่ใช่ระดับอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมอย่างฆ่าพ่อฆ่าแม่อย่างเงี้ยเป็นอนันตริยกรรม ฆ่าพระอรหันตะ์ทำพระพุทธเจ้าให้ห้อเลือดเราทำไม่ได้พุทธเจ้าให้ห้อเลือดนะถ้าเราไม่เคยฆ่าใครเลยเราไม่ได้ทำอนันตริยกรรมแล้วเป็นคารวาสทำสังฆเพศไม่ได้มีแต่พระทำสังฆเพศได้เพราะฉะนั้นพระทำอนันตริยกรรมตัวนี้ได้แต่โยมทำไม่ได้โยมได้แต่ยุให้พระทะเลาะ ก, กันแต่พระจะทะเลาะ ก, กันหรือไม่อยู่ที่พระเองเงินถ้าพระแตกแยกนะทรงแต่แยกนะ้พระเป็นคนทำ งั้นถ้าพวกเราไม่มีอนันตรยกรรมนะก็ภาวนาไปเดี๋ยวเราก็เจริญขึ้นเองถ้าเราไปทําอนั น, นตริยกรรมไว้แล้วก็ก็ภาวนาไปชาติต่อไปก็ยังทําได้อีกนะไม่ใช่ว่าถาวรทําไม่ได้ถาวร อ, อยากไปทําแท้งมานะเป็นบาปมากก็จริงฆ่ามนุษย์นะแต่มันไม่ใช่พ่อแม่เรานะไม่ใช่พระอรหรันต์อะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่พระพุทธเจ้า มันบาปยังไม่ถึงขั้นอ น, านาันตยกรรมเราก็ตั้งใจแค่ว่าเราไม่ทําอีกเราไม่ทําแท้งอีกหรือไม่สั่งให้เมยียไปทําแท้งอีกเราตั้งใจไปอย่างนี้เราไม่ทําผิดซ้ํำศีลของเราก็ตั้งใจต่อไปนี้เราจะไม่ทําแท้งนะต่อไปนี้เราจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ฆ่ามนุษย์อย่าเงี้ยศีลของเราก็เกิดขึ้นมาอย่างนี้เรีกว่าเรามีศีลแล้วนะของเก่าทิ้งไปเลยอย่าไปนึกถึงมันเอาปัจจุบัน มีศีลในปัจจุบันพอละแค่นี้พอบรรลุมรคผลได้นะทุกวันทําในรูปแบบนะแล้วก็ตลอดวันที่ตื่นอยู่เนี่ยถ้าไม่ต้องทํางานที่ใช้ความคิดก็เจริญสติในชีวิตประจําวันไปความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันความรู้สึกอะไรเกิดขึ้นรู้ทันรู้ความรู้สึกไม่ได้ร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกเอารู้ทันอนะอกฝึกอย่างนี้ไปมรคผลไม่หนีไปไหนหรอกนะถ้าทําได้เต็มที่นะ วันหนึ่งอาจจะมีคนมาถามคุณทำได้ไงปีหนึ่งพระทำยี่สิบปียังไม่ได้เลยเพระพระมัวแต่ทำสมาธินะยี่สิบปีร้อยปีก็ไม่ได้นะเอาไปกินข้าววันนี้เร็ชนะเร็วสิบนาทีแต่สอนที่ควรสอนก็สอนให้หมดแล้วนะคนจีนทั้งหลายคนไทยก็เอาไปทำเอา